ที่จะได้ฟังเทศการบอกการสอนจากพระพุทธเจ้าเหมือนสมัยสองสามพันปีที่ผ่านมาที่เกิดพระรหันที่เกิดสงขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้การบรรลุธรรมสมัยนั้นเกิดจากการฟังเทศห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นพระรหันก่อนมาถือบทที่หลังก็มีจำนวนมากอย่าง เอตตะคะ80จีบลูกส่วนมากเป็นพันธุก่อนบรรลุธรรมก่อนเจงถือบวชโวยเอหิภิกขุอุปสมบทาพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ทรงให้การอุปสมบทแกภิกษุเองสังเกตจากการให้อุปสมบทเอหิภิกขุอุปสมบทาเพียงกล่าวว่าท่านจงเป็นภิกษุว่าเถิดและทำไว้ไหนเราตัดไปหรือแล้ว ท่านจงเป็นผู้พฤิชภมจันทร์ให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดนี่คือผู้ที่อยากไม่ที่สุดแห่งพภมจันทร์คือเออพระอรหันถ้าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็พราะว่าท่านจงเป็นผู้พฤพิชธรรมท่านเถิดนี่คือเอหิบิกุอุปสมบทาเพราะเราไม่มีโอกาสที่นั่นเลยไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ยัง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 จำกระด away ว, ว่าอนอนท์จำแม่นที่สุดเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ใดอ น, อนนท์เนี่ยจำมาได้หมดเพราะเป็นพุทธอุปถากขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าพาพระพุทธเจ้าไปาแสดงธรรมที่ใดขอให้ข้าพระองค์ติดตามไปด้วยก่อนที่เป็นพุทธอุปถาเลือกมาพระพุทธเจ้าถามว่าเธอทำไมจึงถาดเพียงนั้นขอเช่นนั้น เพราะว่าอาโนนเป็นพุทธุพจาเมื่อถามอะไรผู้เจ้าแสดงทำที่ไหนเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นพุทธุพจา์จึงได้จำแม่นมาใส่ใจเรียกว่าบันทึกไว้ในหัวใจเมื่อถึงคราวทำสังขยาล้อยกลองทำคำสอนขึ้นมาก็ต้องขาดพลาดโดนมาได้ พระดลก็มีความสำคัญในคราวที่ทำจักขานาพระมหากัตสปเทราเจ้าได้เป็นประธานในหมู่สงฆ์เลือกพระเะถเรทเป็นประานทั้งหมดมารวมกันต่างรูปต่างองค์ก็จำกันมาแม่นนาทางใดสาดีบุตรพระโมกขลานะพระอุบาลีพระดุลทะแม่นอย่างใดเขาจำกันมามาพูดให้ฟัง แต่พระ อ, อนรยังไม่เป็นพระหาเลยแต่ว่าขาดไป่ได้มากัสปะจึงเว้นไม่ได้ต้องให้พระ อ, อนรปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำสังฆาตาอาโดนก็เริ่มปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังหน้าดามความเขียดตั้งๆที่รู้มากจำแม่นเหลือเกินแต่ก็เอาสิ่งที่ตนรู้มาไต่เต้าไปแม่แต่ การทำทุกขจียาเอาว่าเป็นแบบอย่างเอามาสอนตัวเองทั้งพระเจ้าเอาทั้งความรู้ทั้งการกระทําให้เกิดขึ้นให้หมีขึ้นในคืนนั้นบางทีก็พระอรหันต์ทั้งหลายมาถามเป็นไง อ, น, อนุนขอเวลาขอเวลาเมื่อก็เราทํานาเหลืออีกไม่กี่วันกำหนดได้คงจะสําเร็จถามกันว่าใกล้เสร็จหรือยังประมาณสองสามวันเราก็ตอบขอเวลาชั่วโมงสองชั่วโมง เล่งเข้าไปจนถึงแสงเงินแสงทองจะขึ้นแล้วทั้งคืนนั้นก็คิดอะไรบ้างทั้งไม่หลับได้นอน ไ, ได้ผลนอนก็เอเอหอยีบสงต่อกรนะด้า <c> ง <oughs> ใะเหมือนเราเหนื่อยใช่ไหมเราต้องมีจิตที่ยีบได้พอนอนหายใจลู้สึกตัวได้ ล้าเรถือโอกาสฉชนั้นในขณะที่พ่อโ น, นนกาลังเล่งอยู่นั่นนะไม่ได้ียงใจเลยเล็กอเอาความรู้เอาการกระทเอะไรมาแต่ใจไม่รู้จักวางเงื้นลองตาไปพูดกับโมมยมเอาไ่้ใจต้องวางนะเดินอยู่นี่วางใจนะอย่าไปให้มัน มีอะไรเกิดขึ้นในใจเพื่อจะอยากลูกอยากเข็นไม่ต้องอย่างนั้นนะวางใจลู่ซื่อๆไานอนก็วางใจหลองนอนหยีสักหน่อยก่อนนะ้าพอเอ็นหลังหัวยังไม่ถึงหนอนได้ไปรลุธรมตอนทั้นเลยอันนี้คือไม่ใช่ความรู้เป็นการทำใจเป็นการทำใจก็ทันกับ ทำสังฆานาเป็นพระรหัสเศษดขึ้นเอเฮเป็นน่ะเรียกว่าขีนาศก ท, ทำสังฆนามาพวกเราก็เอาคำสอนมาช่วยส่วนหนึ่งที่เรามาสอนเริองอย่างเราจวดอะไรคือสติอะไรคื อ, ดด อ, คอกายอะไรคือเวทนาอะไรคือจิตอะไรคือธรรมทำยังไงมาจาก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 อาจารย์หลวงพ่อจเจ้าคุณหลายหลายองค์หลายหลายรูปที่เคยฝังแต่สมัยก่อนกระตื่นอล้อนคือรีบด่วนที่สุดในการศึกษาเรื่องนี้นะเพราะดูแล้วบางครั้งก็ตกใจอุตศาบำรงระสองระสองก็ทำผิดอะไรต่างๆบางทีก็ไปขึ้นบ้านผู้หญิงชาวบ้านต้องงัดกันไปไล่ เคยไปไล่พระออกจากบ้านผู้หญิงแต่จับไม่ได้เขาหลีกไปก่อนบางทีก็เห็นพระไปจับปลาในสระกลางคืนจับปลาในสระชาวบ้านที่เกี่ยวข้าวขึ้นใหม่ๆเีายังไม่จับปลาในบอกเขาพระก็พากันไปจับออกปลาในสระเราไปหาควายตอนเย็น เดินไปเห็นผ้าเหลืองวางอยู่หอบสะเอาหัวอะไรนะ้อเดินไปดูเห็นพระงมป่าอยู่สามสี่โลกเราก็ต้องมือว่าโลกหายใจแล้วโอ้ยเราสาธะวํมลงสร้างว่าสร้างว่าให้พระมาอยู่เป็นงีงนะ้องอะไรอะไรคือพระอะไรคือธรรมะอะไรคือบาปคือบุญนะ้องทำบุญแต่ไม่รู้จากบุญหัว บ, บาปแต่ไม่รู้จากบาป อยากรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์มันคืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นย่งไพระธรรมเป็นยังไงก็การบ้าทเกิดขึ้นจึงรีบๆหน่อหนึง่งตอนนั้นรีบจึงมาศึกษาตั้งใจอยากรับผิดชอบเรื่องนี้กันอันเราก็เลยสมบูรณ์แล้วพวกเรามีอาจารย์ยกหลงตาก็ได้เอาจังๆต่อน้าต่อตาหลงปูเทียนสอน สังหาครูบาอาจารย์ก็มาตะเปตปามาพบหลวงปู่เถียนเขา้าถูกกับความคิดของตอนเองที่เป็นปัญหาไม่รู้หลวงปู่เถียนก็ท่าสายเราก็เลยตั้งใจงเวลาหลวงพ่อเถียนแจแดงทำเราไม่ใช่ไปจําออกมาม า, มาทําตัวองสิ่งที่หลวงปู่เถียนพูดเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้หลวงพู่เถียนไม่พูด เกิดการขัดแย้งไปคนละที่ละทางสิ่งที่เรารู้หลวงพ่อ เ, เทียนพูดสิ่งที่เราไม่รู้หลวงพ่อเถียนก็พูดพราะสัมผัสดูมันก็ไต่เต้าไปไต่เต้าไปเวลาทําวัดเช้าทำวั ด, ววดเยน็นเราฟังหลวงพ่อเถียนพูดมันก็มีในเราเราก็ทําได้สิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูด ก็เหมือนสิ่งที่เราได้เรียนมาคือสมัยเป็นเหนรเรียนทั้งทำเมื่อนตีมันก็มีในตำราอย่างสติคือความเลือกได้สามัชยะคือความรู้ตัวแต่ก่อนคน่ะท่องเอาจำเอามันอยู่ในตำราภาษาลกแก้วดลก้นกทองบทนี้่ามีสติไปในกายเนี่ยไม่ใช่เป็นการท่องเป็นการไปจุ่มไปต่อเอา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 มีรสชาติโดยตำรากายาลพัสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงเราก็ทำไปาไหนตามแผนที่เหมือนเชื่อมันเราได้แผนที่เดินทางในประเทศไทยติดรถไปเราจะไปไหนดูแผนที่ทางหมายกกเลขอะไรกี่กมเราก็ไปตามแผนที่ขณะที่เราเดินทางพับรถตั้งรถไปตามแผนที่แล้วก็เห็นอะไรที่มันผ่านเราไม่หลง แล้วก็ไปไปามแผนที่ความหลงมัก็ดีที่ด้วยจะได้หยุดเอามาเพื่อจะไม่เสียเวลาเข้ามาดูเดินไปอาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันความหลงนี่เป็นเรื่องดีนะอะไรที่ไม่ใช่สติเราก็รู้เออก็ผ่านผ่านบ้านโน้นเมืองนี่ไปเอาว่านนั่นไว้หลังเอาว่านนี่ไว้หลังผ่านความหลงขี่ข้างขี่หน ผ่านความสุข ก, กี่ข้งกี่หนผ่านความทุกข์กี่ข้างกี่หนผ่านกิเลสตนณหานิวรณธรรมควงมงงเหงาหอนอนความคิดฟุ้งซ่านการมาละคะปฏิฆะมานาทิตฐิอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนกับเดินผ่านไปเหมือนกับเอาไว้หลังไปเรืเ่อยเอาไว้หลังไปเรื่อยอะไรที่ผ่านก็ลู้แล้วลู้แล้วลู้แล้วมันก็ผ่านมันก็เกิดการสะดวก บางครั้งมันกับทางเตี่ยวบางครั้งมันกับจราจรติดขัดเกดดัดขัดของมากมายเกิดจากการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็เป็นกีฬาเป็นการสนุกเราได้แค่่วงมันมีศิลปะเป็นธรรมชาติมันยิ้มสู้มันฮึดสู้ค่ายๆกปเือยมาไม่ใช่อ่อนเลยมันฮึดสู้ มันขวงกันหรือเี่ยมันขึ้นู้ขึ้นมาอะไรขวงกันไม่ใช่สติแล้วก็กวขึ้นู้่วได้บทเรียนดีดีการปฏิบัติธรรมสอนตัวเองเนี่ยประสบการณ์การสอนตัวเองเนะแล้วก็ทั้งอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่เทียนพูดทั้งเเราก็เห็นอยู่ในเราเราก็ทำอะไรที่รู้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 เป็นไปกินทุกอย่างปันี้บันก็ไม่เป็นไปกับเขามันคิดก็ไม่ได้ไปตามความคิดมันสุขก็ไม่ได้เป็นไปตามความสุขมันทุกข์ก็ไม่ได้เป็นไปตามความทุกข์อะไรที่มันเคยเดินไปต่างๆมากมายภาระปัญหาอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นเหมือนเขามันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเราก็เลยฉลูมาบอกมาพูดว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ให้ฆ่ามัน มันสุขก no no ็อยากให้ค่าความสุขมันทุกข์ก็อยากให้ค่าความทุกข์มันหลงก็อยากให้ค่าความหลงอะไรที่มันมีในลถในชาติไม่ต้องเป็นลถเป็นชาติเป็นกันความโกรธก็มีลดบางคนก็ชอบความโกรธตัดทิ้งใจทำความโกรธมันทุกก็มีลดตัดทิ้งใจไปทำความทุกข์มันรักก็มีลดตัดทิ้ใจไปทำความรักมันชังก็มีลดตัดทิ้ใจไปทำความช่าง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 วิธีจิดสอนตัวเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวเองให้ดีๆการศึกษาทุกกรณีสารพัดเรื่องที่มันจะเกิดกับการปฏิบัติไม่เหมือนเราอยู่เฉยๆเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยเวลาเรามามีสติปรากฏว่ามันคิดมากอะไรก็สุขอะไรก็ทุกข์สลักเข้ามาทำให้เราหลงทางได้ เขาก็มีอาชีพอารำทั้งหลายมันก็ครองเรามาดานรสชาติของอารรมมันก็ติดสุบุรีอะไรต่างๆเคยอะไรต่างๆก็ติดกันมาพอมาลู่าลู่เนี่ยมันเหมือนกับมาซ้อมการมีแผลในใจเคยรักเคยสุขเคยติดเคยถูกเคยดีเคยชั่วมาซ่อมมาลู่เหมือนกับซ้อมลู่ที่ใดก็ฟิตไ ลูท่ทรก็ฟิตใหม่ฟิตใหม่มันเป็นอย่างนี้สร้างสิวัดล้อมไปเรื่อยไปเรามาอยู่ในลูกขโมลว่าอาจารย์ท้อสมทั้งหลายมาอยู่ในลูกขโมลอยู่ป่าอันนั่นก็เป็นสิ่งเวดล้อมภายนอกลูกขโมยคืออะไรคือขูดเก่าขูดเก่าคือไรทำใหเราเชื่อมแสงผลตกแทนที่เราจะทุกข์มันมาใช่เรื่องทุกข์การปวดการเมื่อยการไม่สะดวกสบายไม่ใช่เราอ่อนแอ ทำใเราเชื่อมแสงเคยสมมติตัวเองสมัยหนุ่มๆเดินทุง่งเย่าจงเชียงใหม่เห็นเราเดินทุง่งๆนี่วนไปพักที่สวนเย่าสวนน่ะสวัตตาเลยจําอะได้หรอกเดี๋ยวกล้วกๆวัดดุงวงเขาเกิดชะตาเลยลูกนี่วนไปห้าลูกไปปรากฏเขาก็ให้บ้านพักแต่เราไม่พักเราถือลูกขมูลวัดอยู่คนไม้เป็นวัดแล้วปรากฏฝนตกทั้งคืน เจ้าของบ้านก็กางล้มมาเอาล้มมามาช่วยเจ็บของขึ้นบ้านเราไม่เจ็บเราไม่ไปัดให้ฝนตกก็เปียกเลยแต่เปียกข้างบนมันไปเปียกแต่น้ามันไหลหลากมานั่นก็เปียกทําไงก็เอาผ้ากีวอนเอาผ้าสังคาติใส่ในบากรเรือไว้แต่ผ้านุ่งก็เอาก้อนอิดโบราณเขาก้อนใหญ่เอาวางแต่โพกก้อนหนังก็นั่งให้อตัวไม่โจมน้ํา แล้วก็เอนไปเพียงบาดเอาบาดเอนไปก็นอนนอนไม่ก็เบียกน้ำไหลผ่านท่อมไปเลยแล้วก็ทุกไหมไม่ทุกก็สมมติว่าเอ้าเราเป็นกบกบเขาอยู่ในน้ำตลอดพบตลอดชาติเขาจึงอยู่ได้เราเป็นกบสักคืนหนึ่งจะเดีืยวไม่ได้เลยก็สนุกไปเลยนอนเบียกนนั้เราก็อาจจะเปียกพระคุณเจ้าพระสงฆ์อาจจะเปียก ถ้นี่ยก็สมมติวไปเป็นกบไปซะไม่ได้ตลอดคืนตลอดปีเอเป็นข้างเป็นข้าวไว้ขูดเขา่าสุดงแปลว่าขูดเก่าเคยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เลยเคยหลงไม่หลงไม่มีรสชาติ ข, าของกบทุกข์มีเตสติมีเตจัมมิชนยะทุกกรณีนะสร้างสิเวทลอ้อมขูดเก่าตัวเองไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันจะผิดเพี้ยนไปมันจะเกิดพบเกิดชาติเราก็รู้อย่างนี้ปฏิบัติธรรม พนุกดีจริงต้องฝึกขัดตัวเองทุกกระณีไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกบางทีเกิดความสุข ค, ความสบายเกิดความหิวเกิดความเบื่อรจชาติอาหารชอบในรสที่ไม่ชอบเราก็เกิดทุกกรณีที่เราทําให้ใจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปจะให้มันไปไปลดไปค่าจืดไปเลยให้เหมือนจืดซะอรสชาติ สร้างชีวิตล้อมบ้างสิ่งภายในก็สร้างสิ่งภายนอกก็สร้างให้ประกอบกันไปเหมือนพระ อ, อนนุ์เอาจริงเก่าจังจนหน้าดําความเพียดเอาความรู้ของตัวเองเอาวิธีการปฏิบัติที่ได้หลักได้ฐานมาจากพระเจ้าเป็นเดนเป็นเศษที่พระเจ้าดุด่ามากที่สุดคืออา น, นุ์จนถึงว่าเก่าได้สวดอา น, นุ์เราจะทํากับเธออย่างไม่เท่นถนอมนะ เหมือนช่างหม้อที่ยังทำกับหม้อยังเปียกยังดิอดจู๋เราจะขนาบแล้วขนาดบีบไม่มีหยุดถ้าเธอมีเจณฑมีมรรคผลทิ่ผ่านเธอจึงทนอยู่ได้เพราะนนคือขันดองก็คือรูปสุโกธนะน้องพระเจ้าสุตุธนะก็น้องเอาจริงเอาจังจนถูกด่าถูกอะไรต่างๆแม้แต่ละหนุนพระเจ้าก็ด่ามากที่สุดไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็ลหุ่นหน้อยใจ ไม่ว่าจัดเข้าพระเจ้าก็ให้เพื่อนเขาลเราหุนไปเรียกมาตั้งแต่สมัยพระองค์ปัมเพียนอยู่พุทธคยาเป็นเด็กเลี้ยงควายก็มองเดรีย ว, ว่าน่ารักแต่ไม่มีพวกมีแม่มารับจ้างเลี้ยงควายกินนมควายมาเล่นอยู่ที่พุทธคยาสมัยพระพุทธเจ้าปั่มเพียอยู่ตัดเชื้อเดวอยู่แถวต้นศีมหาโพธิ ไว้มุติสุขอยู่ที่นั่ น, นเด็กเลี้ยงควายก็มาเล่นด้วยพุทธเจ้าก็บลูกผัวลูกหมาลูก ต, ตัวถ้าจะเปรียบเทียบก็่าลาหุ่นก็รุ่นเดียวกันนี่แหละแต่มัน เ, เนกิดแปลกผัวเด็กก็ามาเล่นด้วยทุกวันทุกวันตอนพระเจ้าหนีจากพุทธกยาไปป่าอิสิปตะนาเล่เธอจนลองไห้ว่าจะติดตามไป แต่พระเจ้าก็ไม่ให้ไปแล้วเป็นเดินแทงควายรับจ้างหาแล้วเราจะกลับมาคนที่สอก็ได้พบกันจนได้ไปบวชเมือบวชไปแล้วก็รุ่นเราเขาเดียกลับลาหนนหลนตาจําชื่อไม่ได้นะแต่ก่อนจำได้อยู่ชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้ลืมไปแล้วพอามาเดินด้วยกันพระเจ้าก็ดนด่าลาหนก็ให้ไปตามมาออันนี้ก็ขนาดแล้วขนาดอีก เราไม่มีพระที่เจ้าขนาบเหมือนพระนนเราเหมืนลกหนาบตัวเองขนาบเองมันหลงแค่นี้ก็หลงหรือไอ้บ้ามันแค่นี้ก็โกรธหรือแค่นี้ก็ทุกข์หรือเนี่ยภาษาความคิดเฉยๆมันก็ทุกข์หรือเนี่ยไม่จะทำมาเลยได้วบางทีก็ด่าตัวเองขนาบตัวเองสนุกสนุกด่าตัวเองสนุกโศนตัวเองบางทีก็ปอกแล้วกันเข้มแข็งขึ้นมาจ่าปจินยาณหอบกระเป๋ากลับบ้านจะแล้ว เป็นญาณหรือว่าคิดไปเองคิดขึ้นมาเราไปเองหรือว่าอะไรมาอ้างบ้างไปก็ไปไม่เป็นไรอย่าให้เกิดญาณหกเสื่อนะมีเหมือนกันยังไงหลวงตาอยู่พุทธญาณมั่งเลยนะมีหลวงตาองค์หนึ่งมาจากอำเภอหนองทองห้องมาอยู่ด้วยตั้งใจมานะอาจารย์เขาก็ตั้งใจมาแล้ววันนี้ผมเตรียมตัวเตรียมใจหมดแล้วมาแล้วเออให้ปฏิบัติทำไปเพราะปฏิบัติทำไปนะ่ะ ไม่ได้ถึงเดือนถึงอะไรเลยหอบปาดมาลากาาลกับบ้านเอ้าแต่ไหนหรอจะกลับบ้านจะกลับวัดอาจารย์ทําไมกลับล่ะมันมีอันนนอันนี้หลายอย่างมันข้างคาจิตใจเนี่ยอ๋อก็ดีเนาะแต่เมื่อก่อนมาก็บอกว่าทําอะไรหมดแล้วมาปฏิบัติว่ามาปฏิบัติทําไมยังมีอะไรมากมายมันคิดขึ้นมาอะไรอย่าไปเชื่อมนันนะความคิดน่ย วันความคิดขึ้นมาก็หอบบาดไปความคิดเึ้มาแบบเหมือนก็หอบบาดนะมันเป็นใหญ่ขนาดนั้นหรืออันความคิดเน่ะดูดีๆนะดูดีๆดูนะไม่ใช่ไปตามมันแบบถ้าเราตามความคิดเสมอไปมันจะมีที่อยู่หรือความคิดที่มันคิดขึ้นมามันเลอเกินนะอย่าอย่าตามมันเตอดเทดได้ฟังพูดได้ฟังเอ้าถ้างั้นผมไปละว่ะ อุ้มบาดขึ้นไปกะติเองไอความคิดมันหลอกเป็นยานหบบาทกับวัดหอบกระเป๋ากับบา้านไอามคิดมันหลอกระวังให้ดีนะอะ อ, ะอะไรก็หลอกเราได้ดีที่สุดคือความคิดอนี่ยอจึงมาลู่ทันหลวงปู่เทียนบอกว่าบานเป็นตา ง, งคจิตพอรู้จักเห็นรูปทำนา้ำทำจบอารมณ์บางตนเห็นรูปทุกน้ำทุ ก, กโรคโรกน้ำโลกรคสมมติลมัญญยัดตู้บุญลบบาะ ยาปอยู่ในความรู้มันรูปัก็มีรสชาตินะไปรูปขำความรู้อยู่กลายเป็นวิปัจจนปไปเลยแต่ว่าเถียนก็บอกว่าจะไปความรูปนะจะไปความสุขนะมันมีความสุขเหมือนกันมันก็มีปัญญาปัจธิสงบสุขปัญญาด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็บ่ากบโคกมาเจอปล่อยขวาย มีรอยน้ำก็ขังอยู่ก็ล่องล่นลูก่กบโคกมีนะหลวงเพเทียนพูดโอ้ก็คือเราเลยแหละเป็นคนที่ทุกข์ที่ยากาปฏิบัตธิธรรมในความรู้อะไรต่างๆก็อยากไปสอนแม่อยากไปสอนพี่สอนน้องมก็คิดไปยกเราความสุขจะไปความรู้บางไปเป็นถังจิตสร้างจาังหวะให้ไวไหหน่อยบาเป็นจิต พระเถเจ้าตัดสู้ทางจิตสามจังหวะไว้ๆจังหวะอาจจะไม่ต้องเป็นจังหวะสิบสี่จังหวะหลวงปู่เทียนสอนเราก็เพียงแต่ว่าบำเพ็ญดังจิตคือมีสติดูจิตมีจิตดูจิตในจิตนั้นก็มีการดูของมันในจิตนั้นก็มีสติดูมันหลายวิธีการบำเพ็ญดังจิตอย่าให้มันหลอกตาความคิดมันลูกเห็นมันมันลูกเห็นอะไรมันลูก ที่มันเกิดจากจิตให้ไหวที่ว่ามบำเพ็ญทางจิตอย่าไปอ่อนไปกรมันมีตัวลูกเป็นหลักจะคล้ายๆวางมันแข่งกันมันมีตัวลูกเป็นเจ้าเหลือนเป็นเจ้าของอยู่แล้วมันชิดขึ้นมาก็ลูกแต่ก่อนเขาคิดใหญ่แต่บัดนี้สติมันใหญ่กว่ากำลุไปรูปไปบําเพ็ญทางจิตที่จังหวะก็ทำอย่างนี้อะไรมันเล่นจังเดินกลับมาทางบางเล่นกับจังหวะสนุกเด็กกันเล่นลูก ถ้าขาใดที่มันได้มีความม่วงนะอารมณ์บางต้นถ้ามั่ง่วงหลวงพ่เทียงก็สอนหลกนอกการบรรัยขัง้งรูปแบบบางทีก็สอนมาสอนแต่งรูปแบบหลวงพ่เทียนก็สมัยก่อนถ้าก็ทํำนี่นะก็พระมีจังหวะที่หยิบเลยอสอนอะออฉบับเดิเออบบดมหลวงพ่เทียงก็เปลี่ยนไปมาจามาถึงแบบนี้แต่กองก็บอกว่า ตีงนิ่งตีงนิ่งตียงนิ่งตียงนิ่งว่าไปด้วยนะตียงนิ่งเตียงนิ่งตีงนิ่งตียงนิ่งอ้าวมันเป็นภาษาเราวภาษากลางเจรักไหวนิ่งเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่โศกป่าหลวงโอ้เหน่นพะเนาไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่ง ต่อไปลงพ่อเรียนเลยอ๋อมันก็บริกรรมเลยรู้เฉยๆรู้รู้เฉยไม่ต้องบริกรรมไปมาพ่อตัดออกมาต่อมาเหลืออยู่เท่านี้นยังตัดอะไรไม่ได้วันสะบูนแหววไม่มี อ, อ, ะ อ, อะไรขวางกันตรงเป๊ะเข้ามาเลยตรงกับความรู้จึกเข้ามาบางทีเราก็เล่นถ้ามันง่วงนอนมากก็อย่ามาทําปกแปลกเลยมันช่วยได้หลายอย่าง การเคลื่อนไหวไม่ใช่การเคลื่อนไหวปกติมันบริหารส่วนหัวใจส่วนต้นคอส่วนลำแขนมันได้ดีที่สุดเลยการประกอบความเพียนมันบริหารหัวใจหัวบดต้นคอไหลหน้าอกโดยนฉพามยิ่งดีใหญ่วิธีที่ปฏิบัติแบบนีนะ้มันไม่ใช่เสียสุขภาพนะหล่น ต, ตาไปสอนสารตา มาตอนรับล้องตาที่จะน้งบินบอกไปถึงที่พักก็บอกเราเลยว่าให้สอนแบบหลงพ่อเทียนนะจ่าเงินไม่ต้องสอนเพราะอะไเนี่ยเราจริงมีรูปแบบไม่ล่าสมัยใช่ได้ทุกวิถีทางแล้วภาษาที่พูดเจ้าสอนกขาเพียงต่อการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนหนวก การคู่เฉีนเข้าการเหยียดเฉียนดอกไม่มีสติมีสติขณะที่คู่เฉีนเข้ามาขณะที่คู่เฉีนเหยียดเฉียนดอกไปมีสติการมองไปข้างขวามีสติการมองไปข้างซ้ายมีสติการมองไปขณะเดินหน้าถอยหลังให้มีสติวิธีนี้จึงเกิดขึ้นมาตามตำลาพระสูตรต่างๆพิดกสติฐานเจนานก่อนอยุคหนอพองหนอแต่ไปเจออยู่ที่ เมืองเล่าก็เลยกลับมาชูเมืองไทยก็เลยมาอยู่หลวงพ่อเถียนไปพูดตามมาเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนกันน้องข่ายเป็นตุเป็นหลักจริงๆที่นั่นนะแต่พราเั้เขายยังมีไหวเนิ่งไหวเนิ่องอยู่เวลาจะฉันอาหารก็ต้องมีอยู่เอาเมือวางไว้ไหมบาตตักไว้ตรงนี้ก็ฉันลงมือขึ้นมาตกบาตเอาข้าวมาเอามือมาวางได้ไปจับอาหาร ทำอาหารปลาวางยกเสษปากอาหารถูกปากอมไม่ก่อนมือวางแล้วก็มานั่งหลับตาเขี้ยวเกือบสองชั่วโมงยังมีอยู่ทุกวันนะทางเนินฝันเฒ่าทั้งสองก็อยู่เวลาทําอาหารเนี่ยเขเป็นโตัไปส่งกติกติมีทางเดินจกกมกรมมีห้องน้ำห้องส่วมอาหารที่เขาไปส่งก็ทําเป็น สำเร็จไม่ต้องไปขีดไปแบ่งมีกล้างมีอะไรไม่ดีถ้าเป็นปลาก็จับเป็นชิมใช่ไหมสามารถจับไปจับไปขึ้นม า, าไไ ม, มาได้ปฏิตามไม่ต้องดูฝึกกัน เ, เป็นสองชั่วโมงหลวงพ่อเทียนเคยฝึกนั่นมาแลนนี้ก็มีสติทานอาหารก็ธรรมดาให้มีสติไวๆก็ได้ช้าๆก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์เราสอนตัวเราเองหาวิธีฝึกตัวเองไป หลายอย่างที่มันทำให้เกิดสติจริงเวล้ะมันใดที่ทำให้มีสติเอามาใช้จังนั้นไม่แต่มองไปตาก็เห็นถ้าพ่วงนอนรักมากไปทำไงจังหวะช่วไม่ได้ยืดตัวขึ้นมองยอดไม้ต้นเลยน้อไหนมองไปไกท้องฟ้าโอ้กลางวันน้อกลางคืนน้อ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 บางดีไปจอมกับความสุขันงทีไปจอมกับความทุกข์ไปจอมกับความผิดความถูกมารู้ซื่อให้หลงตาอ่านหนังสืออยู่เมื่อวันหนังสือที่อยู่หน้าสารหน้าธรรมศาสตร์ครับพี่มาการยานธรรมก็จะให้หลงตาไปพูดธรรมศาสตร์วันที่หกกรกฎาคมให้สอนแบบการเจริญสติซื่อซื่อ่าซื่อซื่อโอ้ซื่อซื่อเนี่ย อย่าให้มัรสชาต like <inhabitants S 1> ิลายมันลูดซื่อๆรูดซื่อๆไปลูดซื่อๆไปมันโดงแห่งความไม่ซื่อมันมีมากมันมีรสเราจึงลูดซื่อๆไปก่อนเอาบุกไปเลยตัวเนี้ยซื่อๆซื่อๆไปลู่ซื่อๆไปเล้วเนี่ยมันเจกเป็นหลักสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรไปแต่ว่าที่ดูซื่อไม่ใช่ซื่อๆซื่อบื้อ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 ชีวิตของเราสนุกดีทําไมเราจรึงจะลู่วันลู่มันลูว่วนมันขุดเพื่อว่านิสัยยังไงมามันจะลู่แบบนั้นเคยยังไงมาจะไปอย่างนั้นก็ลู่ซื่อชื่อเข้าไปลูซื่อชื่อเข้าไปนี่คือการปฏิบัติของพวกเราถ้ามาทําวัดก็ดีถ้าไม่มาทําวัดก็ดีแต่ต้องนอนนะต้องกินเท่าให้อิ่มต้องพักผ่อน อย่ารีดตัวเองเกินไปการปฏิบัติําให้พอดีพอดีเนียกินเข้าให้อิ่มนอนให้พอไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดแน่นอนเนะ่ะพักผ่อนสักหน่อยโดยเฉพาะคนจะ อ, อย่าไปรีดตัวเองเกินไปพักผ่อนความรู้ถึกตัวมีอยู่ได้ทุกโอกาสแตอย่าเอาความแก่มาอ้างอย่าเอาความเจ็บความปวดมาอ้าง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 ไม่ใช่มานั่งสร้างจาังหวะเดินจังกรมจริงจะรู้นอกรูปแบบยิ่งดีการมีสติเนี่ยเจงสอนตัวเองให้มากที่สุดพอเดินสอนไม่เท่าตัวเราสอนตัวเรา